ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2556มีชื่อเรื่องว่าถาดทองจองเวนวันนี้เป็นวันที่21 กุมภาพัานธ์พุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันต่วมกันทราวัตเย็นการไหว้พระสวดมนต์เป็นการลํำลึกถึงกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นการสํารวมกายวาจาใจส่วนหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราไม่เคย ละทิ้งถึงจะไม่ได้ได้มารวมกันไหว้พระสวดมนต์แต่อยู่ตามลำพังก็ต้องไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำไม่ให้ขาดถึงจะย่อหรือพิสดารก็สุดแท้แต่ความเหมาะสมในการนั้นๆเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลต่อ สัพสัตทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนึ่งกันละกันอันนี้คือเป็นแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะพันบอกว่าเมตตาทำคำจุนโลกถ้าผู้ใดก็ตามถ้าผีมีเมตตาอยู่ในจิตใจไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดจะเป็นป่าดงพงไพ ขนาดไหนก็ตามาไปแล้วจะไม่มีสิ่งเวรยเจะมารบ ก, กวน อ, อย่างพวกสัตว์สาลาสิงอย่างเนี้ยที่สมัยก่อนสัตว์มันมากาครูบาอาจารย์ท่านไม่มีสัตว์ราอาวุธอะไรทั้งหมดจะไปสู้กับสัตว์สาลาสิงเหล่านั้นมีแต่เมตตาเมตตาของท่านไปในสถานที่ใดทั้งก็แผ่เมตตา ทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจากนั้นอุทิศส่วนกุศลไม่ว่าภูมะลุกคเทวดาไม่ว่าสัตว์สาาสิงไม่ว่ามนุษย์ที่จะมาเบียดเบียนรังแกก็เป็นมิตรเป็นสหายเพราะถึงเขาจะผูกอาฆาตพยาบาทเราแต่เราเป็นผู้ให้เมตตาเหมือนกับสรุปแล้วก็คือเมื่อเขาตบมือข้างเดียวถ้าเราไม่ตบ มือขึ้นยืดมือขึ้นไปตบลับนะเออมันก็ตบปลมตบแรงไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีเมตตาเขาก็ไม่มีเมตตานั่นแหละต่างคนต่างใช้ทิฐิมานะความโลภความโกรธความหลงเข้าหากันก็การบันเลยไปทั้ง2ฝ่ายนะไม่มีใครแพ้ใครชนะ เ, เรื่องที่ไม่มีเมตตาตบมีแต่การผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกัน ไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่ถ้าว่ามีการให้อภัยกันคนหนึ่งไม่สู้ซะคนหนึ่งผูกพยาบาทอาฆาตอย่างเดียวอย่ไหมผลในสุดก็คนที่ผูกพยาบาทอาฆาตมีจะตกนรกหมกไหมยอยู่เรื่อยแต่คนที่ไม่ผูกอาฆาตพยายามหลบปลิกถ้าหลีกไม่พ้นก็เอาโดนเข้าไปแต่ถึงอย่างไรถึงจะโดนเข้าไปก็กยังให้อภัย ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตเนี่ยแหละบัณฑิตนักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเรากับพระเทวทัตเนี่ยทำไมพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้ามาพบนิชาตินี้ยังมีการจองร่างจองผ่านมีการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเป็นมาแต่ครั้งไหนเป็นมาแต่ครั้งไหนทาไมจึง เป็นถึงขนาดนี้ทังทีพระพุทธจเจ้าได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระเทวทัตก็ได้มาบวชพระพุทธเจ้าเป็นองค์บวชให้อีกต่างหากแต่ทําไมพระเทวทัตจึงไม่รู้บุญคุณของพระพุทธจเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าจะแย่งชิงตําแหน่งพระพุทธเจ้าอีกต่างหากมันแย่งชิงไม่ได้แต่แตเทวทัตทงม่มาจึงทำเพราะกรรม กรรมคือการผูกอาฆาตจองเวรเข้มาในอดีตแต่ชาติพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่พระเทวทัตผูกอาฆาตพยาบาทเป็นครั้งแรกนะพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นช่างขายเครื่องประดับเทวทัตก็ขายเครื่องประดับเราก็เป็นขายเครื่องประดับเหมือนกันเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่านิสัยเทยวทัตเนี่ยขี้โกงเป็นนิสัยโกงไม่พูดตามความเป็นจริงพอจะหักหลังกันได้พอที่จะเอารัดเอาเปรียบได้พอที่จะได้อันไหนแปลว่าโคตรโกงกันไปหมดเทวนิสัยเทยวทัตแต่นิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยสื่อสัตย์สุดจริตมีอะไรก็พูดตามตรงตามไปตามมาทำมาค้าขายแต่ไปด้วยกัน แต่นุชรู้จักนิสัยกันในสหายคนที่อยู่ใกล้กันก็ต้องรู้จักกันกับเป็นธรรมดาจะได้เทวทัตกับพระพุทธเจ้าขายเครื่องประดับมีพวกนี่แหละห้พวกขายให้พวกเด็กๆเนี่ยอพวกสายสร้อยทองเหลืองพวกทองแดงพวกอะไรที่เครื่องประดับนะอก็เป็นพวกค้าขายเครื่องประดับให้เด็กชาวบ้านราคาถูกๆน่ะ แต่ย่อ ม, มาเป็นสีทองแต่นี้ก็เดินไปเดินไปถึงแม่น้ำอย่างพวกเราเนี่ก็เดินจากฝั่งกรุงเทพเป็นนนทบุรีอย่างนี้แหละแต่น้ํำก็คงยังไม่กว้างถึงขนาดนี้ก็มัง้งแม่น้ําำอจิรวดีพอไปถึงแล้วก็พระเทวทัตขึ้นไปทางเหนือน้ําพระพุทธเจ้านี่ลงไปทางใต้น้ําแต่หมู่บ้านเดียวกันเป็นหมู่บ้านใหญ่ ปุ่นหนึ่งไปทางเหนือปนหนึ่งไปทางใต้ตอนนี้พระเทวทัตก็เดินเดินเดินไปทางหน่หนวยเหนือไปเจอบ้านเศรษฐีเก่าแต่ต่อมาแล้วครไม่ได้เป็นเศรษฐีเลยนะตกทุกข์ได้ยากแต่ก็มีถาดถาดทองคำํำใบหนึ่งอยู่ในบ้านของเขาแต่มันเข้าตราปีเป็นเข้ายางปีหมดแล้วมันดําปีแล้วพมไม่ได้ขาดมันฮะทิ้งไว้ในบ้านเฉยๆ แต่ใ้เท ว, วาทาศนก็ได้เครื่องประดับใส่กระเป๋าไปใส่ใส่ถุงเป้ไปพอไปยายท่านก็เห็นนะเห็นโว่เรียกว่าพ่อค้าที่ไหนเอามาดูซิเครื่องประดับพ่อค้าเขาามาพวกรันหลาดกันลุ่มมานะอยากจะได้คนนอยากจะได้สวยคนนึงอยากจะได้แหวนพู้หญิงคนนึง จ, จ, จะได้กองแขนอะไร กว่ากันไปละเด็กฮะหลายลูกหลานหลายคนยายกวาอพ่อค้าฉันมีถาดลูใบนึ่งแต่จะเอามาเปลี่ยนจะได้กี่อันละ่ะพ่อค้าเอามาดูซิยายนึกเรเอาถาดใหม่ถาดที่เข้ายางปีนั่นที่มันดำปีน่นพ่อค้ายกถาดขึ้นมาโอ้ได้ทองคำนกในใจนะ เนื้อใจใจหมุกหมัโอทองคําเนี่ยก็เลยเอาเข็มมาจากยามกรีดโ อ, โอ้ทองคําจริงๆเอใครเข้ามันขีดแล้วมันตุ้ยอะไรมันมันอ่อนได้ทองคําไม่เหมือนทองเหลืองทองแดงฮะขีดโอ้เป็นทองคํานำแต่ว่ามันไม่ได้คัดแต่ล้างเฉยๆมันเลยเข้าจากยางปรีมันเสียดําสีมันดําปี๋หมดแล้วแต่แรกก็เลยบอกกับยายว่ายายจะให้ผมเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะยายถาดไปที่มัน มันไม่มีราคาล็อกนี่จะจะเปลี่ยนได้กับเพียง 2-3 สาเส้นเท่านั้นเองจะเปลี่ยนนะความขี่โกงมันเกิดขึ้นแล้วนะทีนี้ทางยายนี่ก็บอกโอ๊ยหลานฉายพี่ทั้ง5้าหคนแยาจะให้เส้น2เส้นไม่ได้หรอมันไม่ครบกันเดี๋ยวมันจะต่อยตีกันอีกมันเป็นเรื่องยุ่งเหยินอี๋แหละถ้าให้ก็ให้ครบทุกคนซะในพค้าขี่โกงนี่ก็รอยไม่ได้หรอกถาดไปที่ราคามันไม่กี่เงิน เปลี่ยนไม่ได้ทําไม่ได้ก็ย้ายเออถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาละพ่อจะเอามาแล้วก็เดี๋ยวล้านล้านมันจะทะเลาะกั น, นไม่เปลี่ยนนะเออเอาไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนพ่อค้าก็เลยเอาของเข้ากระเป๋าแต่ตั้งใจมันหมุบห ม, ม, มับอยู่กั น, ะนะเออไปอีกสักหน่อยจะกลับมาแอบกลับมาเปลี่ยนใหม่กลับมาเอาใหม่ตอนนี้พ่อค้าทางทางไปข้างล่างเลยพ่อค้าพุทธเจ้าเลย ไปขายของก็ไม่ได้เลยขายของขายของเดินเดินเดเดินมาเรื่อยๆมาก็มาเจอบ้านหลังนั้นเลยไอพ่อค้ากี่โกงนี่ก็ผ่านไปเลยทางใจกระ ม, ม, มุบบับบุบบับคิดอยู่ตลอดไอ้เพรนั้นก็พ่อค้าพระเจ้าเนี่ยมาก็มาเจอบ้านยายอีกเลยยายก็ถามว่าออพ่อค้าเอาจะเปลี่ยนของไหมทางพ่อค้าเอาเปลี่ยน พ่อค้าก็เดินเข้ามายายเขาเอาถาดไปนั่นมาให้ดูอีกมากันเนี่นะพ่อค้าคนก่อนเขาว่าถาดไปนี้ไม่มีราคาเขาก็เลยบอกว่าทองแผ่นนี้ไม่ไม่มีราคาเขาก็เลยไม่เปลี่ยนให้้็เปลี่ยนก็เปลี่ยนแคเพียเส้นสองเส้นท่านั้เองทั้งพระโพธิเจ้านะครับจับมาโูโหในทองคำนะแล้วก็เห็นรอยขีดของพ่อค้านั่นอีกโอ้อ น, นี่มันจะโกงเขาเนี่ยงั้น ไม่ได้แล้วนะพอคิดเท่านั้นเลยเอา้ายายจะเอาเท่าไหร่กะสุดแท้ใจแต่ให้สายสร้อยให้มันครบหลานก็แล้วกันนะว่าให้เขาทะเลาะ ก, กันให้เขาเลือกเอาตามความต้องการแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ท่านนั้นแหละนะได้ไหมพ่อค้าพ่อค้าพวกไร้ยางโอ้ยายถาดใบนี้กับของอยู่ในกระเป๋าของผมนี่มันเทียบกันไม่ติดเลยนะายายจะเอาทั้งกระเป๋าเลยก็ได้ผมจะเอาถาดไปนี่โอ้ยทำอย่ายงนั้นก็ได้ อยเอาไปเลยในะพ่อค้าดิฉันจะเอาเนี่ยแหละแจกลูกร้านหน่อยไอ้พ่อค้าเนี่ยจเทของออกจากกระเป๋าให้ทั้งหมดเลยจะไหนาจากนั้นก็ได้ถาดทองคําใบนั้นรีบจะข้ามฝั่งเลยจะไหนเล็บจะข้ามฝั่งโอ้ยพ่อค้านะมันมันจะคดมันจะโกงอีกแล้วมันต้องกลับมาอีกไม่นานเหมืนอนแต่พอมันจะมาเอาเนี่นะอันนี้มันใครเข้ามันหนีซ่อนไว้เฉยๆเพื่อจะให้ มันเปลี่ยนคําพูดไหมเร็วเกินไปเดี๋ยวก็จะว่าให้มันก็เลยทําท่าไปเฉยๆเดี๋ยวมันจะกลับมาเนะี่ยพ่อค้าเนี่ยก็ได้ทองคําถานเนี่ยกัเดินอ้าวเลยอ่องอ้าวมันก็มาสูงถึงฝั่งแม่น้ำํำก็เรียกเรือมาเลยพอขึ้นเรือเสร็จแล้วกัเก้าก็พายเรือจนะ้าอะไรเงี้ยเออเร็วนายเรือเนี่ยกับพายเรือจ้าเลยอนะข้ามมอไปถึงฝั่งเท่านั้นนะเออ พ่อค้าโกงเนี่ยไปหน่อยเนี่ยก็หันมากลับมาจริงๆเนี่ยพอกลับมายายนี่ก็บอกว่าอ้าวพ่อค้ามาเอาแล้วไปเมื่อกี้เนี่ยเขาให้เครื่องประดับทั้งหมดเขาเทออกให้เลยเยเขาไมา่ได้ให้สองสามเส้นเาให้ทั้งให้ทั้งเป้เขาเลยเออทางพ่อค้าคนนี้ก็ควันขึ้นหูแล้วงี้ยเขโกรธปากอย่างหนักเลยโอ้โหเพื่อนเนี่ยทําไมหักหลังกันขนาดนี้วะเนี่ย ทําไมหักหลังกันขนาดนี้วะกันรู้อยู่แล้วเนี่ยเราหนีไปชั่วคราวมาเอาหักหลังอันนี้มันหักหลังกันชัดๆเนี่ยพอเดินกวิ่งอะไรแต่นี่วิ่งตามพอวิ่งมาถึงแม่นะ้ําที่ไหนได้เพื่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าน่ยข้ามฝั่งแล้วพอว่างพอเรียกตะโกนหากันได้ยินเนี่ยโอ้เพื่อนทําไมหักหลังกันขนาดนี้วะไง ตางคนนั้นก็เอาหักล้างยังไงคุณไม่เอาเจ้าไม่เอาผมก็เอาเลยสิพังกันผมเห็นว่ามันเป็นถาด อ, อันนี้ผมทองคำํำโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้หักล้านกันทีเอาตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราตัดญาติขาดมิตรกันเอไม่ใช่ธรรมดาให้เป็นอริศตูกันจองล้างจองผานการเกิดพบไรชาติใดขอให้ผูกอาคาดพยาบาทจองเวนตั้งแต่แ บ, บัดนี้เป็นต้นไปอพอว่าเท่านั้นก็ลงนั่งคุกเขา่าลง ในทรายฝั่งทางนี้เนะี่ยเอากำกรอบทรายมากำทรายมาทั้งสองกำมือในะอ้เกิดพบใดชาติดใดให้มันได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวีนกันขนาดทรายสองกำมือเนะี่ยแหละทางเพื่อนอยู่ทางโน้นก็บอกโอ๊ยเพื่อนเลยเอาสองกำมือนะมันจะมากเกินไปมั้เอากำเดียวก็พอละเพื่อนเหมือนกันนะอแต่เพื่อนท่านี้กับแสนจะดีนะอปล่อยวางกำหนึ่งไว้เงี้ยเอาแต่กำเดียว เอาทรายกำรรหนึ่งเต็มกำรรแล้วก็กระแทกเขาหน้าอกนะเพราะความอาฆาตพยาบาทใช่ไหมล่ะกระแทกเขาหน้าอกอาเจียนเลือดพุ่งออกจากปากในเพราะความโกรธอย่างมากนะจากนั้นพ่อค้าโกงเลยก็ตายตายในฝั่งนั้นนะี่แหละอันนี้แหละคือการจองล้างจองผ่านกันครั้งแรกที่พระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าจองล้างจองผ่านกันนะจากนั้นก็พระพุทธองค์นะก็ ท่านก็ไปนั่นแหละท่านก็ไม่อยู่ตามสภาพของท่านนะชาตินั้นอพอต่อมาชาติเกิดขึ้นมาที่ไหนพระเทวทัตจ้องล้างจองผ่านพระพุทธเจ้ากพิทันหนีหลูกเดียวาบางทีก็ถูกฆ่า ก, กับหลายพบหลายชาติเหมือนกันที่เทวทัตฆ่านะฆ่าได้นี่แหละแต่พระพุทธเจา้าฆ่าเทวทัตนในชาติถกไม่ค่อยมีนะันท้า น, น, นห่างๆจริงๆหลวงพ่อก็เห็นอยู่ พระพุทธเจ้าได้ฆ่าเทวทัตโดยฆ่าโดยบังเอิญลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าโดยมากยังไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเทวทัตนั่นแหะอันนั่นแหะเป็นการจองเวนจองเวนจองกรรมเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าครับพระเทวทัตจองล่างจองผ่านกันจากนั้นก็เนี่ะเกิดพบใดชาติใดก็เลยฆ่ากันมาอยู่ตลอดถ้าว่าเกิดห่างกันพระเทวทัตไปตกนรกซะ ผ่าชั้นก็ผ่านไปหรือว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมซะแล้วก็ผ่านไปทางว่ากองร้อกำเกวียนมาเจอกันอยู่ในบ้านเดียวกันเมืองเดียวกันนั่นแหละท่านนี่ต้องเอากันเลยแหะเพราะมันปลูกพยาบาทอาฆาตกันไว้นะมาในชาตินี้ว่าพระพุทธเจ้าก็บวชให้เทวทัตอีกแล้วก็เทวทัตนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกัน กิ่งหินจะท่าพระพุทธเจ้าอีกเอาจ้างนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าอีกปล่อยช้างนาลากริงไปเหยียบขบทขยี้พระพุทธเจ้าเอกโอ้มีหลายเรื่องนะในชาตินี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตาอย่างที่ว่าน่ะเมตตาทำค้ำจุนโลกพระพุทธเจ้ามีเมตตาถึงเทวทัตจะฆ่ายังไงพระพุทธเจ้ามีเมตตาทําไม่ถูกทําไม่ถึงเพราะฉะนั้นพอให้ลูกหลานทุกคนนะ ให้แผ่เมตตาเอาไว้ไหวพระเสรแลว้วก็แผ่เมตตาคนที่จองร่างจองผานเราก็ทําไม่ถึงเพราะเราไม่ตบมือสองข้างนะมีแต่เขาตบมาเราก็หลบซะนีถ้าเราไปตบคืนก็นดังเปี้ยะนะพอละต้องลูกพยาบาทอาฆาตกันไม่ฝไไ่ายใดก็ต้องฝ่ายหนึ่งถ้าเราอาฆาตกันถ้าเรายอมแพ้ซะเนีย่ยดังดวงตาที่ท่านพูดท่านเขียนเป็นคําโคงพลาดสิเว้ย การเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตานีหลวงตาท่านว่ากันมาพิจารณาดูไปเสียเปรียบคนได้ยังไงใช่ไหมพวกเราท่านทั้งหลายนะแต่หลวงตาจะว่าการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตามาพิจารณาให้ลึกๆดูซิเถอะโอ้มันจริงอย่างจางที่หลวงตาพูดจริงๆการยอมเสียเปรียบซะน้อยนึงเขาจะได้เปรียบก็ให้เขาซะอย่างนี้ก็หมดเรื่อง ก็ น, นั้นนะขอให้ลูกหลานทุกคนนะลูกหลานพวกเราทุกทุกท่านนะสรุปแล้วก็ให้มีการไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่สนวนกุศลเวรไภทั้งหลายจะไม่เกิดถ้าเรามีน้ำจิตน้ำใจเป็นธรรมนะแต่วันนี้หลวงพ่อจะใ ห, ให้โยมเปิด MP3 หลวงพ่อให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนะคณะัตาายางราิโยมลูกหลานเพราะว่า อีกไม่กี่วันวันที่24 25เนี่ยเป็นวันมาฆบูชาลูกหลานทั้งหลายคงจะไม่เข้าใจว่ามาฆบูชาคืออะไรเพราะพวกเรามีแต่รรมาค่าขายไม่ได้ศึกษาในทักักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่ามาฆบูชานคือมีความหมายว่าอย่างไงคพอหลวงพ่อได้ไปเทศเมื่อปีที่แล้วที่วัดป่าภูก้นน ะ, ะโยมขอนิมนต์ได้ไปเทศหลวงพ่อก็เเทศได้แสดงธรรม แต่กันก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกเพื่อให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับวัดมาคะบูชาพระพุทธเจ้าเสด็จดดประทับอยู่ที่ไหนอย่างไรนะนั่งกัจจมาธิฟังเลยนะทีนี้นะเอานั่งกัจจมาธิทีนี้ฟังเอาเปิดได้นะ